การรักษาโรคเกศฐนยืนเป็นการบอกให้ราบว่าโรคจะนำมาใช้ป้องกันเชื้อไวรัส B ในสัตะพอีนได้หรไม่รักไรแล้วกันเลยนะไวรัส B ในสั์ไม่รู้เไ้ม่รู้เขาจะแจ้งมาโดยเด็ดเะไออกตำรานะใช่พราก็แลก็แจ้งไ่ได้ไม่ออกเป็นตำา เี่น้ามาไปศิษย์สวก็แย่ดแล้วอาแ่พ่อในนี่พ่บอกว่ารังา้าวพ่อ่เวันน <À Same. S 2> right? oh. ี้ลกได้ทวายก็หน้าาเพื่อสร้าง็จโลกกับโลกให้หลวงพ่อให้นไปกำลงใจเพราะตอนวายห่วงพ่อให้ค่อยพอจะรวยมากๆลยมากๆ ข้ามจนใช่เอาต่อไปเรื่อั้งหราพ้าหวงพ่สิครับหลวอวงพ่อ้าาเหมว่เป็นเรเป็นการอะไรที่มาแต่ปางก่อนถ้าไมู้นรับมาอามา้อใมคนนี้แม่มาเสนช่วยเหลือเขาคงตกใจลุกรายที่มายืนไปหายหมดทั้งชีวิตทำลายบาดียมันก็ไม่ยอมเลย แต่ล <Es> <an> ูกรงสอบเขาบอเป็นเรื่องของกรรมไปอย่างี้ที่อาจารย์เรถามลงคือว่าชาตนี้ลูกรูปควรจะทำบุประเภทไหนรูกควรจะภาวนาหมดหดไต่อไปชาติหย้งจไม่ต้องสูบบุหรี่อะหานาวรีพานังีสุครั้งเลยพนสุครั้งะไม่งั้นก็เกิดให้ตัต่อไปดีก ใช่ใช่นี่ลอะไรคราวง่อครับมาตัินใจเลยว่าพวกสมยปวดเป็นพิษไช่อรที่ทีนี้ผากจะมาตรวมโนมยมเทปล่อายลไม่ทราบว่าจะมีผนหรือไม่หลวงพ่อให้คำนั้นใต่อไปครับตอนมากระเขาแล้วกันไม่เป็นไรหรอก กจะาส้าาที่นก่อยดีก็มีเหตุฝันปลาน่นฝนเป็นงบ่อยๆบางทีเหตุโคลงจริงๆมาปลาโสดล่าโสดไม่ฝันต้องงมีโลโมวุอกไปในป่าสาวอาเทียนเท่าไรนันไม่ยอมของไอ้เรื่องนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเกี่ยวกับการฆ่าสายการเดินการคอให้่คองหรกอาไม่รู้ใช่แล้วไม่เจริญเนมึงกดต่อไปเรืยาว ก็ต้องมาทียาวตรวเามไมันยาวงั้นจะเรียนจะเลืยมาเลยเลื่อยยาวมาแต่รถไฟฟุ่มเฟงอยลาฟ้าเราก็ติดรถยาวโผล่ตรงกลางลาฟ้าเมื่อไม่นานมานี้้าฟ้า อาไอ้หน oh, ูเอ้บ้านของมตลงนเาจัดเลยปาอวันเลยมันมาจะถ่ายก็เป็นรูปของเหนียวเข้ามาในผ้าผมเลยให้เจ้าผก็ดูเขาบอกว่าในวีดีโอมีของลายอยู่แต่ทาอะไรไม่ได้เพราะที่บ้านเองมีผ้าวัดผ้าผมจ้าอะไรก็ผ่าวัดมา ยิ้มโอ้ต้งมาองาบอว่าถ้าบอกขอกรบะ่คน่ายกรอบแค่สิบาทก็กันได้มานักธุรีด้วยตออ้ได้เร็วกิารของอะไรต่างๆแค่สิบาทก็ฟันได้ใช่ใช่อันนี้คนทำเขาบอกให้ขึ้นราคาไปยสแล้วต่อแล้วนะใช่อรุณ พระพินพ์ถวายเขากเจ้าของแทงตามที่ตามสมัยนะตามราคาตามราคาของขึ้นตัวแล้วก็รายลดตัวได้เพิ่มขึราบพรถก็จะลดอย่างสูงเมืวันที่กมภาพนธ์มนาคมรถก็ได้ไม่เข้าวันขอ้าให้ป้า เรา็นลักษณะเป็นแ้องคาัเป็นองแล้วหลวงพ่อเออไอาแล้วอ้้าใครได้นะลก็จะมากาเบีาหลวงพ่อว่าวมันเรื่องจริงๆนะลพ่อจะมีรบกาว่าระลูกนอค์แก้วใหญ่ๆหรหไม่ไม่เลยทาหลวงพ่อมีความระสงจะทำอะไรหครับทาก็ได้สมหลองรือว่าสม เดี๋ยวเรื่องค้กดที่ลูกหลานเาไ่อนไองค์เดียวก่อนองค์เดียวก่อนอันี้มหลักดอนี่พอรอเสร็จรงไนเสร็จเลยรับเราเป็นของคทั้งองค์อ้าวก็ที่ถวายไปก็ไปถูกกอะไรนะอ๋อฉันติดคำคำเปลวอะแต่ปุริตอนนี้แต่แกเรียกว่าไม่ ถ้าคยได้ถ้าเราถูกเรีพระของทั้งองค์่้อยองค์แล้วโอ้ตามคุยได้ามรักบอกว่าเร่องาระกับพระน่สองห้าห้าหมื่นประดี๋ว่ารมฐาถนา้าหมื่นก็ดีถ้าหาก็โลกนี้สนาจะขอผ่อนได้หรือไม่รวแมวเรสิบาทได้ไม่ได้ชาติหน้าาคงเสร็จโอต้องสิบบาทนะก็นะ ใช่สิก็ยังโง่ทำสนทุกปรเขาก็นแล้วกันโอ้อย่างนี้ก็้อยได้ไปเลยใช่ใช่ไม่ตำลองเสร็จชาติหน้ายังไม่เสร็จสิ่สิบบาทนี่ยยัม่เสรชาตินี้เลยใะเกิดหลับหลับหลัร่ลับหลับหลับหลัมหลับหลับหลับหลับหลรบหลับหลับหลับหลัล พอดที่ยังไม่ค่อยพบหงพ่อก็าับกฎว่าทําบุญที่อื่นมากปอดมาหลังก็มาเจอหลวงพ่อที่ทำเห็นประจำคมีปัญหาเข้าใจมันไม่เติมที่ทำไปก็คือว่าอย่างนี้วัดนี้เราไปทําบุญจะบอกว่าทาบริจาคต่อเิดบาทไปเจอป้าสาวต้องจะให้เพื่อนไปวางมาหนึ่ต้นแล้วลูกก็ทาไปแล้วก็ได้มาแม่บอกเพื่อนไปก็ทําอย่างนี้เอง พอารองข้อผมก็สบายใจว่าเอ๊ะไอการที่เราทาบุญไปแล้วได้ของมาอย่างนี้อันนี้ของจะเต็มเม็เต็มรวยหรือเปล่าเจ้าคะใต้เต็มท่านเขาให้เราไม่ได้ซื้อให้ของสมบุญแบบไม่ได้ไรนะท่านท่านให้ตางากเพาะฉั้นท่านไม่ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันไม่ไม่าแบงไม่เบี่บุญนะทที่มาทํากอ่องข้แต่บ้านบุญก็ไม่ได้เ็ขมบุญแบบ บุญก็ต้อเป็นบุญแจกก็เงินแจกสมายใจแต่บาคนก็วิจานี่นี่ที่เราละละมาใน้มัยแหวก 10% ที่ฝานบุญนี่แหละที่มาลมาจะตื้นสิดนี่แค่อีกละเดียวตัวนี้เดียวถ้ายกตรงตากลบพ่อโดยอย่างนี้นะว่ากระผมไม่ได้ศากบดใหม่อยากจะปฏิบัติถึงแบบร้อยิเจ็ดให้แร็งทัดโดยจะเอาฉบับ แบบของหลวงพ่อท <as> ี่ได้ปฏิบัติมาเป็นแนวทางแก่พระนักวัดหลวงพ่อในเมตาด้วยคนรักนักวัดนัวัดเตาทไมเจได้ว่ามีการกระทำติดตามมาแต่แรกเริ่มเราไม่จำจะจำได้หมดไหมฉนเองจำไม่ได้ไม่จำไม่ได้โมง่อเก่งไม้โสดพ่อาวนะว่าเพาะว่าถูกคอไวโอไว้ริ่เริ่มรัดไส้ใส่ใส่ใส่ มันเอ่อใหม่พระเก่าก็ดีนะถ้นมีโอกาสส่วนบุคโลไปยิทีว่าพระคงจะดีมากแต่ตอนนี้แต่ตอนปัจจุันก็ทุ่มเงิได้เยอะเลยป้าพ็่ลูกพ่อต่ไหนอไหมาดกมาขดผมแบัติเดือด่อผจะไหลมากเลยทำเหมือนก็ไหลมันทำเหมือนก็ไหลเับใช่ไหเข้าไหออกมารูนะหมอไหลที่มีอย่าเขาฉันมีองไหลนะ วันนี้เข้ามาวาัเข้าววนซืนเข้ากลับไปวัดออกพอถึงปั๊บเอาเช็คเขา้าธนาคารพอรุ่งขึ้นจะมีโจรหน้าโอ้ตัวริจาตัวริจานาดนั้น ต, ตอนที่เขาไม่มาเราเรียกโจร้นเท้าคือไม่สั่งให้มาแต่ขึ้นมาตกหน้าเลยก็อะไรไหมเขาเห็นว่าถ้าไม่โจรเขาก็ไม่มารู้ไม่มีถ้ามีาาระลลิจ่าย ดัันเอเวสกัพ่อทุกวันนี้ออก็มีรอที่คือไม่เหลือใช่ไหมเหลือเอาอีกแล้วเราจ่ายทำไ ม, มนก็นยังไม่ตายแค่ถามไม่จริงน่ะอ๋อเ่ยใช่อ่าอันนี้ก็ประกาศในว่าดนะอะไรนะเขต้องบอกอะไรเขายออะไระมันมันไปลเลยเขาบอกว่าหลวงพ่อมีเกินขวาาธนาคารอะไร เจ็ดสาล้าปนงส่วนตัวเี่เราพมอไม่นานก็เกิดแน่ครับเิดไตหายไว้ยน้อยไปนะน้อยไปเลยครับน้อยเลยงาจัเ่ยากวานั้นเรื่อนไีพอเกเไตาใช่ใช่พ่อู้กัน้อยแ่าใครไปแต่งงานก็มีวายถ้า ยาฮั้ไกับมอเรื่องแต่งงานงานแม่ก็ตายแล้วตอนนู้โลกกโง่หายเจ้าเจ้าวาเยอะเลยวัดเจ้าปวดยังไงก็รู้ปวพไปเจ้าวาแล้วก็เอาเด็กมาเลี้ยเลี้ยกระโไอเด็กคนนั้นก็ไปไปมีลูกมีเจ้ามาเจ๊ยยังไงนลูกแต่ก็ไปเจอไอหลานหน่ะไอลูกอลูกน่ะด้วยความรัก กมตองตรงเนี้ยินไม่ได้ในเวลาเขอบอกนะผมว่ากูอยู่ไม่ได้แล้วกูรักกมึงขข อ, อแต่งงานด้วยไอลุส์ก็เลยเปยใจก็เลยให้แต่งก็แต่งๆๆมาแรกไม่ยิงมยิ้มอย่างพ่อว่าไปเลยมื่อเข้าบ้านน่ะเรียรบร้ขข อ, อ, ร อ, รอยอสมอษโอ๋แ่เ้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงมีบ้านของลูกที่แผ่นไม้ยางถูกแผ่นเลยมียางหลายดอกมาลูกก็เลยได้จัดจาการเอาผ้าลูกไว้ตาแะบูมา ท่า็นลาวันรียก็ใหแยกเอามาบูชาสักการะพระรมทิธีการที่ป็นาระะันในอะไรที่จะสูกตอกราบขอบมีพอ้ไปหาเสือเล่นอ่านดูและีอะไไม่ได้โอ้อจะได้นังไงจะไม่ได้แั้นาถูกแล้วเาคนถูกแล้วแต่ว่าวิธีการต้องพาูนังสือในการก่อส้เ่ข้าใจ่าย เออมาตากแป่ไอ้ก็น้ำมันไหลนี่นะ้มยาปกติไม่มีนะปลาเมนูเไม่ก็แบ่งสนใหญ่นะโอ้ที yes. ่าหาก็มีนางางไม้งที่าไม้แไหนก็ไนนะเราติจะมียาออกมาเนี่ยก็บอกใช่เฮีนคือยางถ้ามยาเฮีนกหน่อยถ้าปกติเขามีเสมอนะถ้าเป็นสาวนมีแน่ อี้าเออจเห็นมากจเห็นน er hey, ้อยจะเห็นมากๆก็มี้มันไหลพอต้อบูชาสักรารา์นี้ก็ใช่ให้หลับลบเท้าบเท้าหลวก็่ี่เนกวนสูนี้ยวอาอบบเลยว่าอาโรคได้นักสืบพรลรกการณ์แล้านู้ชาหลวงพ่อมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ว่าอะไรอะไรก็ดีหมดเสียโยมเดียวจะพาไปแก้ไม่ตกหรือว่าสามีก็ดีชัดในรอบตลอดเป็นประจำค ต, ต, ต่างคนต่างได้ลกยากเขาเก้าวัยเกกว่าแล้วดีมากดีมาก่อออกรางกายอ <c oughs> อกร่ากาโอ้อยใครผบอกไว้ออกร่างกายเพื่อสมองด้วย<อ>ให้ความพิดตัดเรี่ยงสัญหาบาจามาด่ากัน ตอนนั้นี่เราสามฝ่ายก็อายุเจบกว่าปีแล้วแทห้วเจอเาก็จะมาทำบุญลยแกจะให้คนมาเป็นเื่อก็ดีดอะรรบลกาเคิดว่าถ้าไม่ล่าาแสงมันมีต่อไปแล้วไม่ได้ขนาดนี้ก็ได้เลยขอให้หลวงพ่อแล้วก็ลูกไปานเร็วเิดเจ้าเออตายินยโ กี่ตนแล้นมันเปนึิ่งมันจะไปได้จะไม่ได้สะตนทงเองพระพุทธเจ้าบอกว่าบอกว่าอาขาตาเลยอาาตาสถาพเป็นตัวเผู้บอกไม่เขียนนำไปบอกให้ปฏิบัติตามเขาไม่ง่ายแต่าเคยกบานทหลพ่อพ่อเป่าหวผู้ปฏิภาณได้ยัไม่มีพิษถ้ามีพิษไย่าหน้าเก่าหัวปุ๊ผมหายหมดอย่างี้ไปได้น่ ไปที่หมังหัวถลกกลางเช้ารก็ที่เาล็จากโตวิจะเลื่อนรุ่งใดมาเหรอวาเลือนรุ่งมาถวายพระไมอันนี้ตแปแล้วอย่างนี้นะคระขนานี้ลูกมีสองตัวน้ามีสองตัวสองตัววิถามมังคุดพวกหลายหลายดวงตัวหนึ่งอยากจะทำบุญกับข้อ อีกตอวห่ก็บอกจะไปเลยตัวหนึ่งจะทำสมาธิอีกตัวหนึ่งม่ให้ทำเจ ะ, อ, อ, ยยะ อ, อย่างนีัดใจิตลอดลูกพยายามแก้แลกแก้ที่แผก็ไม่หมดก็เลยกลายเป็นคนที่ขี้ขึนบนะคนเพราะเราอยากจะมาขอเพิ่มบารมีหลวงพ่อว่าห้าร้องเจ็บเดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดต่อัดจะไปต่อต่อรอนมาลักษณะแบบนี้ขอความเมตตาหลงพ่อได้โปรดและน้องแก้ด้วยเเจ้าค่ะใช้วิธี้ คุณจะทำดีคุณจะทำดีไม่ใช่ใ่หาก้ใช่เขาเรียกกิเลสมารใช่ใช่กิเลสมารกิเลสเป็นสองเลวใช่ไหมมาละกับลูกขาดอ้เอะบางทีไปรู้สึกยกอมไม่นาตรงนี้เลยมันน่าจะมีมากกว่านี้ ทำไมเป็ น, นยง ล, ล่ะหลวงพ่อพี่เลยตัวใครเลยถ้าเป็นเจ้าจไม่กลเลยเราะแมแต่เปวันวนี้ก็ใช่ใหม่ตัวแค่น้จะอนนี้เวลาถึงใจนะั้นจะทัความดีแะทนก้าในการเดสุดท้ายนี้ก็เลยบอกว่ารูกาารากขอมะลาลอบพ่อร่างกายวาจาและจิตใจขอให้หลวงพ่อดได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันในขนั้รต่ <c oughs> ตีมาตีมาเสงสกตนานะอ้าวเลยเลยเลที่เขสิ็หน่เลยเาจะต้องแพ้ยาลูพงไม่ได้เนีันนเามีความรู้เหนือกว่าเด็กพ่อทำาลูกหัวดำเมา่อไรนะบอแ่หลเต็มที่เลยเี้ยวก่อนแค่นึกว่าสุ่งนี้นะ จะมาลุกหรอใช่ไม่ใช่วันนี้นะไม่ใช่วันนี้แล้วและคู่นี้เขาไม่เห็นุกนี่ะทำไมไม่เห็น่ะคุณเนี่ยใช่เยเออก็จะไม่ได้เป็นตาเไม่เป็นไรครับไปไปไรก็ได้แ่อักเป็นปวยใช่ไอจีเจนี่น้องเราเป็นตัวยเนี่ย้ได้ขาว่บๆหมวดูนี้มาอาเที่ยบถักอะไรใช่ใช่ ภาวนได้แย่พาวนเลนะพาวาได้หนักมากหน่อยแต่แต่ลงยากนะเห็นลกมาไรไอินีไอ้รู้ก็ไม่ยากแต่สังเกตไม่รู้ไอ้หลวงพ่อฝืนได้ยังไงไหนลกแล้วลกก็ยลก็ไม่ได้ฝืนปกติกติทำได้เใช่ใช่ขันห้าก็เป็นเรื่องขันห้าเราก็เป็นของเราขันห้าไม่เจรียกไม่เจ่ิันห้า กะทำมาจากาำให่นี้ได้ป่ะเนาะก็แกยากอะไรเนาะไหนพวกนั้นเขาตาทวง่เราเราไม่ไดทวเลยกเหมอนเลยต่อไปยกเลิกตำราดีมาัวงบ่อยต้นเกาะเนี่ยสุดท้าาว่หลายครั้งเลยหายแล้วอาอ่ะต่อไปว่าเราพ่อจตหงานมีเรื่องสวใจเดียวแต่ที่หลวงพ่อคงไม่หนักใจ ว่าบ้านของลูกจะเป็นบ้านสองชั้นลูกก็นอนต้องบนต้งบนก็มีพระแต่ข้างล่างอามาณพรขายก็ต้องมีลูกทางขวาข้างมีูใต้ลูกอลูกหล่ออะไรเต้นแต่ว่ารูกก็นอนอยู่ต้งบนตอนพรอาจจะต้องผ่านไปผ่านมาแต่จะเอาเก็บไ้ตงบนก็ไเพราข้างล่างะขายไม่ได้จะเอาไว้ข้างล่างกับวกวกาบาปกรรจะเกิดขึ้นขอให้หลวงพ่อทีและบัวไม่ทับน้ใหุ้่นก็รัเกิดจมาในคนละเรื่องน่ะัมันรูปกระบัว วันกี้ไม่เป็นไรให้ได้ไม่บาาไม่ดิเจตนาประมาทใช่ไหมไม่เป็นไรแค่ได้ได้จากไม่ประมาทเขาใบายสุดทุกคใช้หน่อยใช้ลูกน้าหน่อยไอ้ที่เ็าไม่เด็ดประมาทเขาใช้หน่อยเดียวแล้วก็เด็ใช้เป็นแค่ขอร้องก็ลูคต้องกำรอบอยู่แล้วใช่ไม่เป็นไรนะสบายใจได้เรื่องนี้อะ แต่ล้วหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงอะไรอ๋อลูกได้อ่าน๊บในหนังสืออะไรนะเราดแสตมอ๋อทั้งใจไหมหลายคนติดอย่างพวกต้องวันรอบพันพันไปก่อนรอบจ้าไม่มาต่อมาเรื่องสะไรพันพุทธกาลตรียังีนะครับกอเราบอกบะไรมาโดนุูกลูกปรจอนใบเลืองแ็แวเลย และมีความรูกสึก็ดีมากพระพุทธอเกิดศาสนก็เกิดสนารุ้าสนาเกิดศาทาในวัฏอย่างสูงิ่งโลก็เลยส้างกิจอะ่านว่าพกเดือนโลกจะนามันมาสัในการถอยแทรกต่อไปมาก็ตามง้อก็ตามหวังว่าก็คงจะรับและไม่ละเกินะจรโอ๊ยไม่เคยกียรติเยทีไหไหพระพุจาถวายมากถวายน้อยดิถวายมากก็รับถวายน้อยก็รับไม่ถไหเลยก็รับ อธิบายคราว่าม oh, ่าวไหเลยมารับรับอะไรครับไมมีอะไรจะให้รับกำลังใจไงโอ้เลิกเริเรื่องพระพุทศาสาเป็นอาู้หายจารย์อาจารย์ก็ต้อยาไม่ใช่โน่นาทำมาดีโน่นเรื่องเป็นยังไงครับท่านท่านไม่ปลท่านแต่พระติยดจะภาษาที่หวกับสามัคค ก็มีพระอหันต์งค์หนึ่งรักษาษ่านนี้มาเชิญมาจากทุดูสิกลงมาเกิดใช่ไหมเนื่อเรากพระตกรแพ้ใจมาเกิดแล้วอายุได้เจ็ดปีเจ็ดปีนี่เป็นอ่าหนได้เราไม่รู้เรื่อหานะละตามเคอายุวที้พระออทัยจะมีหน้าที่ติดตามต้องเอามาให้ได้ยู่ไหมก็เกิดในตะโกนรามแล้วก็เป็นคนฉลาดด้วยเป็นอาจารย์ของพรามีทีเจ็เกิดอจากแทนพ่อแล้วพ่อช่วไม่ได้ ใช่แล้วต่อมาพระนั้นก็ไปวินาศวันแรกไปยืนก็ไม่มีใครพูดด้วยยืนคนทุกคนเวลาต้องเดียนสอไปวันที่สองก็ไปยืนใหม่ก็ไม่มีใครพูดด้วยเพราะได้เวลาก็ไปวันที่สามพอดีแม่บ่ายเขาออกมาจากครัวเห็นครับเขาบอกนวิชวล้นที่นี่เหมือนมีใครให้แดกอะีรอื่นเยอะพูดล้อพูดล้อมาจริงจำได้แม่นเลย ก็เขาม่อาถือใช่ไหมอ๋อไม่คับล้ถ้าอะไรจะหาเรื่องเนี่ยก็มองดูไปไหนดีกว่าเห็นพ่อบ้านยืนอยู่หลังบ้านย็นจ้งจะ่ก็บ้านเยืนยนอยู่หลังบ้านก็เลยเดินออกทงหลังบ้านถ้าราก็ถามบ่าสมนรถวันนี้ได้ไหมบ้งเขาก็บอกว่าทั้งสองวันไม่เคยได้เลยแต่วันนี้ได้หน่อยเาเขาหยุดหยุดรยไปเปิดบัตดูก็บัตาวถ้าถามว่าสำกรถทมุสาวาตอนเช้าไม่ได้บอกแกไม่ได้แะ่รองนี่ ถ้าถามไมได้เลยได้วาจาวาจาได้จากใครได้จากแม่บ้านเขาว่าอย่างไรเขาบอกว่าล้นตอนนี้ไม่ะไรให้กินเราให้แตห้ที่อื่นนี่เราถือว่าได้เป็นเหตุครามมีความเรื่มใสใช่ไหมก็เลยดีมนขึ้นบ้านสบายเลยนี่ได้เยอะแล้วนะเขาพูดถูกพอถ้าอยางมองไปมาในอาสนะที่พุทธโกศาการสอนใช่ไหมสอนธรรมะใช่ไห ก็ที่ว่าท่านนั่งบนนั้นไม่ได้เรื่องแน่ๆใช่ก็เลยขึ้นไปนั่งบนนั้นแล้วก็ใส่ข้าวข้าวใชอ้าวอคนพอ้าวอรพอใส่ข้าวพอดีพุทธโกศาใจประมาณอยู่ในห้องออกมาเห็นว่านั่งที่อยู่โต๊กระชักโมโหถามว่าท่านมีความรู้ดีขนาดไหนที่นั่งที่ของผม ใช่ไถ้าเป็นถ้าออถ้าเป็นทานมา ก, ก่อนถ้าไปอรหันเป็นสมายายานัมพัญานมัสู้กันไม่ได้อยู่แล้วนะถ้าอะไรบอกว่าถ้าฉันไม่ดีพอฉันก็ไม่นั่งที่ของเธอเนี่ยฉันถิดว่าฉันดีกว่าเธอที่จึงนั่งที่จะได้ออพระโกสาใจมาบอาถ้างั้นท่านถามเมืท่านตอบพระรามได้ไหมก็ถามมาเลยถ้าถามวิชาของพระรามอยู่างแม่ายเทศนี่ ล, ล้วเกลืออยท่านก็ตอบได้หมด พระเถราจการมาจนจนท่าบางอย่างตอบแต่เราคนไทยงั้นตอบไปหลัฉันมั่งเ้าบอกพร้อมทำเท้ากุศลาทำมากุศลาทำมาพยากระตาทำมาไม้ฟาไปยังไงทำรายเขาคลาไม่ดีก็เลยถามว่าคุจะเรียนไหมเขาบอกเรียนได้ก็ขอเรียนท่านเลยบอกไอ้แตงัวแบบที่เดไม่ได้ต้องแต่งตัวเหมือนกันแต่ได้ก็ให้บทเรียนพร้อมรอบบท ปวดเลนได้ไม่กี่วันก็เป็นประษชอบไปเส้นทายาเลยเอาพรณ์ทั้งหมดก๊อกเข้ามาเข้าหัวพระตัวศาสนาหมดใช่ไหมได้คาว่าได้หม่ยถึงไหมว่าต้องได้พระตูวเสมอไปแม้แต่วาจาที่เขากล่าวเราถือว่าได้ใจที่เขาตั้งเราถือว่าได้มันไม่ถึงพ่อบอกที่อ่ไม่ให้ครับได้รับได้ทำถ้าเพราะว่า แอะอจดคนนี้ตรวจเป็นในแล้วก็บรรลุอารแมเจ็ดยักษาใช่มกนนหรือที่ยังมีถือหรือล่ามีถืออยู่เอ่อถ้าจะไปขา่สมมคตาหรือว่าจะไปได้ไปได้ที่ิพันก็เรือยมโนจิตพิจมพิวดิพุทธโกษาจารีที่แปลระไตรดกจากภาษาญี่หนึ่ามรดกขึ้นไปที่นิพันถามพระเจ้าสนอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าทันที เเกี่ยวกับเรามรู้ความผ่านตาแต่านตรงเก่งมากเก่งมากเก่งมากขาวที่เนปาอยู่บนตาห่าอเดียวเลี้ยเลยเที่ยเดียกันอะไรเลยใช่ปลาข้าวประเด็คัญหลวงพ่อที่รองจับโูงเพราะว่าลูกขอเรียนภาษเกี่ยวกับเรื่องหลักานน็กนึงพราะกรทานกับหลวงพ่อี่ วัดร้าลกก็ยิ้มหันมารูใจตามทืนนั้นแล้วไปหิบมาวัดร้างก็คิดว่าเอาเงินมาดีกว่าสะดวกนิดสะดวกผู้ให้สะดวกผู้รับดีใจแต่ก็ว่าเอ๊ะเรากได้อันนี้ผมไม่เต็มไม่สะดวกก็ไม่มีรันไม่มีฐานไม่มีผ้าลูกชายจะเรียนถามหลวงพ่อว่าถ้าไม่มีขอมาแต่มีปัจจัยทั้งใจเป็นสัรปทานแบบเขาอย่างนั้นจะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์หรื่าั้ร้อยเปอกว่านที่ ออไมเล็นหรือมเล็กนิเปนคท่านที่ไปตรงหิวไหมอ๋อไม่หิ้หนักอ๋อไม่ตรงลสุาเใจ่ใจอแค่สวัสดีใจเฉยลยสวัสดีอะไรก็ได้เป็นสนธานหมดจะมีเจตนาตามั้นนะโอ้ยนี้สอบไปท้าคุณไหนกาลังใจถึงไม่ําองหิอะไรมาแน่้าต้องหิ้วอ๋อหิวอะไรหิ้วอะไรที่วแบงหิ้วแบงอ แต่จะกันหนักใจอย่างหนึ่งนะก็มีบางรายตะครับผมเห็นท่อนน่ากลกวขอถวายพระพานปนละห้าร้อยบาทเป้ยฟ้าส่วนต้นน้ใส่แค่ไหนผมมีสมดีไว้กันนสีมากถามไปนานว่าแม้ปัจจัยก็มีอันนี้สองสองปุแตเช่นเดียวกันนะเรียนถามหลวงพ่อจะหาที่ทเลาะลูกได้อ่านหนังสืออ่านเร่งเร่่นิเกาเี่ยวกับหลวครู่จงวัดหน้าอะไร หน้าตางหน้าตั้งบหน้าตางหน้าต้งไม่โกงไม่หน้าตังโรลวัดกันะฮึหน้าตังรออหน้าตังมันก็โกยไปอ่ะก็จงก็จงขค่หน้าตั้งมันก็โกยวิ่หน้าตังไปเลยโอ้ยแต่ถ้าเท่าได้คือหน้าจงาแล้วก็ไปที่สุวันวันที่มาจะียนจีนซาลเดียนขอเรียนถามนิดนึงว่า วิหารันนี้เป็นของทุหรือของชาวชาวบีาของกลาง<ต>ของครางของกาคงครแล้วถ้าหากว่าลูกจะขอรัคนหลวงพ่อให้หลวงพ่อพาไปเหมือนอ่างลุกโคหลวงพ่อจะมีทางหลพ่ได้หรือไม่ได้<ล>ได้และจะต้อรจากหลวงพ่อเป็นาทองหนัก่นบาทเลยหรือ่าได้ได้ตกลงพาไไงอาพ้อองายเามาก่อน <laughs> แล้วส่วนต้เงโดนีพาไปเม่ไหร่นะก็ถ้าว่างว่างที่ไหน ก็สัเราเองนก็โง่จค่เราไมนโดนยึดที่กัดเดียวมาถึงแล้วไม่ต้องเสียค่าร่อสค่าเรอและก็ไม่ต้องมันวาพาไปนะเออไม่กระจาย180นาฬกาเราอแบกพอดีจรายเวลาเฮงวันเจ็ดอันับความจริงเดื่อนี้ก็ไม่ควรมีการอะไรครับก็มีเรื่องว่า